แล้วก็จเจริญทรยาดิ่นสาธุชนแล้วก็ขอคารวะคุณเจ้าด้วยเพร่อเราคงทราบกันดีแล้วนะว่างานวันนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อสนองเจตนาของคุณกันซึ่งได้ระบุไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตว่าอยากจะให้มีการสนทนา ในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้และความตายรวมทั้งาจาดให้มีการบรรยายหรือเป็นการเทศโดยตั้งหัวข้อไว้ตั้งแต่่อนที่พระเยซูชิดว่าจะแย้จะมาบรรยายเรื่องสติกับความตาย เราคกันเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจะทำคุณประโยชน์ได้มากมายได้อีกมากถ้าหากว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเธอก็จากไปก่อนเวลาควรด้วยเหตุว่าต้องเผชิญกับโรคร้ายซึ่งจบลงด้วยความตาย แต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยเธอก็สามารถที่จะใช้ความป่วยและความตายของเธอเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่นให้กำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็กหลายท่านนะว่าแม้ป่วยกาย แต่ไม่จะเป็นต้องป่วยใจก็ได้แม้จะมีโรคร้ายทุกความร่างกายแต่ว่าจิตใจสามารถจะยินแยงแจ่มใสและใช้ชีดอย่างเป็นปกติจนะเป็นแบบอย่างของการนำเอาธรรมะเนี่ยมาใช้เผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะ รวมทั้งความตายซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเกิดกับชีวิตของคนคนหนึ่งแต่แทนที่เธอจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้มากระทําย่งดีกับจิตใจของเธอกับชีวิตของเธอเธอสามารถที่จะทำให้มันเนี่ยเป็นประโยชน์ ใช้ความเจ็บป่วยรวมทั้งความตายเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองและผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเองในแง่ที่ว่าทําให้ได้เห็นธรรมและผลขวายในการนำธรรมเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงการเปิดใจเพื่อรับความสุขที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขนาดแม้เจ็บป่วยนะก็ยังสามารถจะมีความสุขได้อาจจะไม่สุขกายนะแต่ว่าก็สุขใจไม่ใช่สิ่งที่ใกลเกิดเพื่อสำหรับคนทั้งหลาย เธอใช้ความเจ็บป่วยความตายเธอให้เป็นประโยชน์กันะบคนอื่นด้วยอย่างที่เราได้พูดกันมาเมื่อตอนบ่ายนะเปิดเว็บไซต์ทำเฟซบุ๊กนะเพื่อที่จะนะให้กบลังใจกับคนทั้งหลายรวมทั้งแนะม้เมื่อเธอจากไปแล้วเนี่ยนะก็ทำให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อย่างเช่นในบ่ายวันนี้อันนี้เป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่ามากแต่คนเราเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายเนี่ยเรามักจะปล่อยให้มันกระทำย่งดีไม่ใช่กับร่างกายของเราอย่างเดียวแต่รวมจิตใจและชีวิตของเราด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะพลิกเปลี่ยนใช้มันให้เป็นประโยชน์ ักับตัวเราเองและกับผู้อื่นได้จงกรทา่งสามารถที่จะเป็นมิตรกับความเจ็บป่วยและความตายนี่เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มากเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยในที่สุดแล้วก็ต้องประสบกับความเจ็บป่วยและความตายบางคนก็อาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ แต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันทำร้ายเราบีกคั้นจิตใจของเราหรือว่ากลายเป็นศัตรูกับเราเราสามารถจะเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นเป็นมิตรเป็นอาจารย์ที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเราจเจริญงอกงามขึ้นมาได้รวมทั้งมีความสุข ด, ด้วยอาตมารู้จัก ได้พบคุณกันเนี่ยไม่กี่ครั้งนะดูเหมือนว่าครั้งสุดท้ายที่เราพบกันก็คือการอบรมเผชิญความตายสมมงบอธิบายพุทธมนทาปักช่องอช่วงที่เราได้รู้จักกันประมาณสี่วันนะเธอก็ได้มาสนทนากับตา ม, มาแล้วก็ ขออนิมนต์นะว่าถ้าหากเธอต้องตายเนี่ยก็อย่าแค่อรตมาเนี่ยมามาพูดเนื่องในงานสพของเธอหรือเนื่องในหรือในงานที่จัดขึ้นด้วยปารทถึงเธอก็ตามเนี่ยมาก็ยินดีการที่เธอได้นิมนต์อย่างนี้ก็แสดงว่าเธอเตรียมพร้อมแล้ว สำหรับความตายที่จะมาถึงอาตมาก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านจะเรียกว่าเป็นคำสั่งเสียของเธอซึ่งก็เขียนไม่ยาวนประมาณสองสาหน้าซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้อ่านบ้างแล้วจะเรียกว่าเป็นคำจะเรียกเป็นี่ในกลรมชีวิตนะรวมทั้ง ที่ในการที่ใช้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วถ้าอ่านดูเนี่ยจะพบว่ามัน ค, คล้ายๆกับมัน ค, คล้ายๆกับคนที่กำลังจะย้ายบ้านไปต่างประเทศแล้วก็อยากให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยจัดการเข้าของในบ้านเธอให้เรียบร้อยเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้กลับมาอีก ไม่ได้มีน้ำเสียงของคนที่กาลังจะตายเลยนะมันเหมือนกับคนที่เมื่อจะย้ายไปต่างประเทศแล้วม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ก็เข้าของในบ้านก็ให้คนที่เหลือนะช่วยจัดการสาธารณซะไม่มีน้ำเสียงความโศกเศร้านะไม่มีน้ำเสียงหรือวิแวบของความกังวลนะอันนี้ก็แสดงว่าเธอพร้อมสาหรับ ความตายซึ่งก็สแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นแบบอย่างนะของคนที่เตรียมตัวตายเตรียมทั้งตัวเองด้วยเตรียมเรื่องงานเรื่องการรวมถึงงานศพของตัวจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่รวนทั้งเรือนใจนะ ก็ถือว่าเป็นคนที่นะพร้อมเผชิญความตายนะด้วยความกล้าหาญด้วยการยอมรับความจริงของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นแบบอย่างอีกประการหนึ่งนะทีะ่พวกเราน่าจะได้เรียนรู้เอาไว้นะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเดินตามเธอไป ที่ได้บอกไว้แล้วว่าถึงกันเนี่ยได้ราชนาแห้ตมามาพูดในหัวข้อที่เธอระบุเอาไว้ว่าสติ ก, กับความตายที่จริงเนี่ยสติ ก, กับความตายี่เป็นของคู่กันนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกตัว เมื่อใ่ที่เราไม่หลงจมอยู่ในความทุกข์หรอือเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานเนี่ยเราจะระหนักอยู่เสมอว่าสักวั น, นเราต้องตายเฉพาะคนที่หลงคนที่ลืมตัวคนที่เพลิดเพลินในความสนุกสนานหรือว่า หมกเมานะอยู่ในความรื่นเริงบันเทิงจึงจะไม่ระหนักว่าวันหนึ่งเราต้องตาย เ, เพราะว่าความจริงข้อนี้เนี่ยมันปรากฏมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีความรู้ตัว อันที่จริงแล้วเนี่ยสติประการหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องความตายโดยตรงนะก็คือมรณะสติมรณะสติเนี่ยเป็นสติที่นะยึดโยงเกี่ยวเนื่องความตายโดยตรงแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เจริอมรณะสติเลยเนี่ยตามใจที่เรามีสติ ศานะแต่ใดที่เราไม่จมอยู่ในอารมณ์นะไม่เพลิดเพลินนะในความสุขสนุกสนานเราจะระลึกเราจะตระหนักถึงความจริงที่ว่านี้เนี่ยอยู่เนืองๆแต่เป็นธรรมดาของมนุษยนะ์นที่มักจะลืมตัวนะ เลิศเพลินในความสุขหมกมุ่นอยู่ในงานการจนลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและยิ่งเนี่ยมันมีธรรมชาติส่วนลึกในจิตใจนะที่ปราถนาความเป็นอมตะก็ยิ่งทำให้เราเหลือคิดไปอีกเสมอว่าเราจะอยู่ความฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้จ้าเนี่ยจึงได้สอนเรื่องมรณาสตินะเพื่อย้ำและกำชับเรานะให้ตระหนักึนความจริงข้อนี้จะเรียกว่ามรณาสติเนี่ยเป็นการเตือนให้เรากลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ปล่อยให้ปัจจุบันเนี่ยถูกใช้ไปโดยปร่บประโยชน์มรณาสติเนี่ยก็คือ ความรลึกได้ถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราจับว่าเป็นหนึ่งในอนุสติสิ่ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งมหาสติแล้วอนุสตนะิอนุสติเนี่ยก็หมายถึงาการระลึกได้ในสิ่งที่เป็นกุศลระลึกได้ใน ในพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติเราลึกในพระธรรมก็เรียกธรรมานุสติเราลึกในพระสงฆ์ก็เร่าสังขานุสติเราลึกในความดีที่เราทําเราก็เรียกว่าศีลานุสติเราลึกในฐานที่เราบําเพ็ญก็เรียกว่าจารานุสติซึ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแต่มรณะนุสติเนี่ยเป็นอนุสติประเภทที่มุ่งให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทกับชีวิต ก็คือเตือนท่าเราตระหนักว่าสักวันเราต้องตายตายแน่แต่ว่าในความแน่นอนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่สำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้ความไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหามากกว่าความรู้ชัดว่าจะต้องตายนักธุรกิจเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเศรษฐกิจปีนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเขาสบายใจ แต่ก็เขารู้ว่ามันไม่มีความแน่นอนเลยเนี่ยนะเขาเครียดนะแต่ไม่ใช่คฉพาะเราธุรกิจนะคนทั่วไปเหมือนกันนะการที่เรารู้ว่าเราต้องตายเนี่ยนะมันไม่เป็นปัญหามากกว่าการที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะมันหมายความว่าเราจะตายพรุ่งนี้มาลื่นนี้ก็ได้เพอรเพอตายวันนี้ก็ได้ เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตระหนกเคยจัดอบรมประเชิญกับความตายสงบเชื่อว่าเป็นนี่กับความตายที่นี่ในะห้องเนี่ยประมาณบ่ายสองบ่ายสามเวลาประมาณเนี่ยก็มีกิจกรรมนะของผู้อบรมกำลังมีการนวดอะไรกันอยู่นะอยู่ดีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสาสิกว่าก็ล้มลงไปแล้วเธอก็ไม่หายใจหัวใจหยุดเต้น อันเดชบุญนะในงานวันนั้นเนะี่ยมีหมอหลายคนซึ่งบางคนก็รู้วิธีการปั๊มหัวใจนะระหว่างที่รอรถพยาบาลซึ่งใช้เวลานานมากพอ ร, รถตินะก็สามารถจะกู้ชีพเธอขึ้นมาสำเร็จโอ้ันเห็นชัดเลยนะว่าคนเรานี่ตายทุกเวลาแม้แต่ จะมาเตรียมตัวตายนะก็ยังไม่มีเวลาทันได้เตรียมตัวแล้วก็จะตายแล้วเนี่ยแต่ดีนะยังฟื้นไม่ได้นะแล้วก็อันนี้มันเป็นมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราตายได้ทุกเวลาแต่เรามักจะลืมเรามักจะไม่ยอมรับว่าเราจะตายได้ทุกเวลาเพราะเรามีความสุขเพราะเรามีคนรักที่ยังหมวมยย่วงใยเพราะเรามีงานการที่จะต้องใส่ใจมันทําให้เราไม่ยอมรับ ยอมรับไม่ได้ว่าเราตายด้ทุกเมื่อแต่มเรานักสติเนี่ยมันจะย้ำ ม, มันจะเตือนว่าอย่าประมาทนะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยขนขวายขนขวายในการเร่งทำความดีเพื่อเป็นสเสบียงเอาไว้ เพื่อทำใหอ้อบอุ่นใจว่าเมื่อเราจะต้องตายเราก็จะไม่หวั่นวิตกลเราก็จะไม่ทุรนทุรายเราก็จะไม่กลัวการทำความดีการสร้างบุญบุญสเนี่ยนะมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรากลัวตายน้อยลงเมื่อความตายมาประชิด ต, ตัวมันมีคำกล่าวเป็นคาถาพระโพธิสัตว์นะว่าพระพธิสั ต, นะต์คือ คือผู้จารย์ในชาติก่อนๆ อ, อย่างก่อนที่พระองค์จะตัสรู้เนี่ยก็มีประโยชน์ท่านกล่าวว่าเราไม่เคยทําชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงแล้วก็ในที่นึ่งก็กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมจะไม่กลัวรปรโรคอันนี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแทนที่เราจะมัวแต่หาความสุขสนุกสนาน ก่เกิเงินทองหรือหนักกวนั้นคือทําความชั่วเนี่ยเราก็ขนขายทําความดีแล้วก็ล่าเป็นความชั่วและขณะเดียวกันก็พยายามที่จะศาสางทําภารกิจต่างๆของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันแล้วจบโดยเพราะหน้าที่ที่มีต่อผู้เป็นที่รักอุปการีเช่นการตอบแทนบุญคนพ่อแม่รวมทั้งการดูแลลูกหลานนะเพื่อเราจะมั่นใจว่าเมื่อเขา ตายจากไปเมื่อเราตายจากไปเนี่ยเราจะไม่มีความห่วงกังวลมอนส ต, ตีเนี่ยมันเตือนให้เราตระหนักว่าเราต้องฝึกปล่อยวางนะและต้องฝึกปล่อยวางใจแต่วันนี้เพราะถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางถึงเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความทุกข์ทรมารทุรนทุรายเพราะเรายังมีภาระ เรมีความหมนะการด้วยับคืว่ามรรคสติเนี่ยมันช่วยทําให้เรานะเตรียมตัวรับมือกความตายตั้งแต่เนินเน่นๆนะเตรียมตัวรับมือตั้งแต่ตอนที่เรายังมีสุขภาพดียังหนุ่ยยังสาวนะอายุยังไม่มากนะมรรคสติเป็นสติที่ใช้รับมือนะ กับความตายเนี่ยที่วิเศษมากและที่จริงมรา ส, สติเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่ใช้รับมือกับความทุกข์ในชีวิตได้ดีเหมือนกันนะสตีฟจอมเนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยการระลึกว่าความตายจะมาถึงได้ทุกเมื่อเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ตอนที่เขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วก็ ตายในหกปีต่อมาเราผูดว่าการที่เรารู้ถึงความตายว่าจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของเขาในการที่ทําให้เขาสามารถจะรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตหรือมาตัดสินใจในเรื่องสําคัญสำคัญของชีวิตได้เพราะว่าความเทวทิยานนะความคาดหวังจากผู้อื่นความกลัวล้มเหลวความกลัวหน้าแตกเนี่ย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของคนทุกวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือประหลาดสน า, ารไปเมื่อเทียบกับความตายอันนี้เขาพูดว่าความตายเนี่ยการเลือกถึงความตายหรืมอมรนสติเนี่ยมันช่วยทําให้มีชีวิตที่โปร่งเบาสามารถจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตได้แต่ที่สำคัญตอนนี้คือมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความตายที่จะมาในวันข้างหน้าได้ดีขึ้น โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้เราเจ็บป่วยก่อนถ้าเราจเจริญรอนักสติอยู่เสมอเนี่ยเราก็ต้องมีความสําสคัญกา ร, การเตรียมตัวเตรียมตัวนี่รวมถึงการเตรียมทรัพย์เฉ่นการจัดทํามรดกหรือว่าการาจัดการเกี่ทรัพย์สมบัติที่เรามีการเตรียมตัวว่าถ้าเกิดเรา ป่วยกระทำฐานไม่สามารถจะไม่ไม่รู้ตัวไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เนี่ยจะให้เราทำอะไรหรือให้เราหรือไม่อยากทำอะไรยอย่างที่เมื่อตอนเช้าเราเป็นกิจกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องสมุิเบาใจนะว่าถ้าเกิดเราป่วยหนักและเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอยากจะให้คนกล้ชิดทำอะไร อยากจะให้หมอทำอะไรกับเราไม่อยากให้หมอทำอะไรกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวนะซึ่งคนสยามไม่ค่อยเดินึก ถ, ถึงเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กลายเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังหรือลูกหลานนะว่าจะเจาะคอดีไม่ดีว่าจะใส่ท่อดีไม่ดีว่าจะปั๊มดีไม่ดีนะจะผ่าตัดใจ ห, หรือไมนะ่เป็นปัญหาของหลายครอบครัวมากทุกวันนี้เพราะ ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้ลุวมหน้าว่าอยากจะให้ทำอะไรไม่อยากจทำอะไรอันนี้เรืยอเรื่องการเตรียมตัวและเตรียมใจด้วยถ้านะเตรียมใจก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวตายอะางไม่พร้อมก็กต้องไปฝึกนะฝึกปฏิบัติธรรมนะฝึกเจนนริญร้อนนัสติให้เข้มข้นขึ้นนะ รวมทั้งฝึกการปล่อยวางเพราะวาความกลัวตายส่วนหนึ่งมันเกิดจากความที่เรายีมีความยึดติดถือมัน่นยึดติดถือมั่นในทรัพสมบัติในงานการในคนรักรวมทั้งในตัวตนดันันสำหรับผู้ที่ยังมีสุขภาพดีนะยังเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมรณาสติสำคัญมาก ในการที่จะช่วยทำให้เราเนะตรียมพร้อมแต่เนิ่ๆนๆะในกา ร, รเผชิญความตายแต่สิ่งที่สำคัญนะก็คือเมื่อเราต้องล้มป่วยเมื่อเราเจ็บป่วยนะสเตจยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่า คนปกติเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยชแทบจะร้อยท้องร้อยเนี่ยไม่ได้ป่วยกายอยู่ยป่วยใจด้วยป่วยใจเพราะความวิตกกังวลนะเพราะความโกรธเพราะความกลัวพี่ตกกังวลอะไรนะพี่ตกกังวลว่าไอต้องตายพี่ตกกังวลว่าถ้าตายแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใครแล้วพ่อแม่ใครจะดูแลวิตกกังวลว่าจะต้องเจอความเจ็บปวด ที่ยากจะทนทานได้อย่างที่เรามักจะเห็นคนใกล้าตายเขานะประสบกันโกรธโกรธอะไรนะโกรธโชคชะตาฟ้าดินนะโกรธคนทั้งโลกเลยนะว่าทำไมมันไม่ป่วยเหมือนเรานะหรือโกรธโชคชะตาว่าเราทำความดีมาตลอดสร้างบุญกุศลมาตั้งแต่เล็กทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ โกรธว่าเราสากินอาหารชีวิตจิตมาตลอดชีวิตแต่ทำไมถึงต้องเป็นมะเร็งไอ้คนกินเหล้าสุปริลมันไม่เป็นอันนี้มีคนโกรธแบบนี้นะฮะกลัวกลัวความตายไออารมณ์แบบนี้แหละที่มันทำร้ายจิตใจและสร้างความทุกข์ยิ่งกว่าโรคไขยไข้เจ็บบางทีมะเร็งเนี่ยยังไม่แสดงอาการยังไม่ทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกขเเนางางกายเลยนะ แต่ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงสงละกราดเปรี้ยวนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เหมือนคนตายอยู่เหมือนตายทั้งเป็นตรงนี้แหละที่สติสำคัญมากนะเพราะว่าสติเนี่ยทำให้เรากลับมาตั้งหลักได้เราใั้ว่าตั้งสตินะในยามที่เราพบความจริงว่าเราป่วยเนี่ยการตั้งสตินี่สำคัญมาก เพราะถ้าเราตั้งสติไม่ได้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาทำร้ายจิตใจของเรามะ์เ็งเนี่ยไม่เคยทำร้ายจิตใจเราได้นะฮะมะล์เ็งเนี่ยมันอย่างมากก็ทำร้ายร่างกายของเราแต่สิ่งที่จะทำร้ายจิตใจของเราคืออารมณ์เหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อใจไม่มีสติ ไม่มีสติแนละ้วทำไมเพื่อปล่อยให้อารมณ์นี้เข้ามาครอบงำเพราะสติเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกับยามนะที่เฝ้ารักษาจิตเอาไว้วันนี้ก็เปรียบสติเหมือนตาไดนนะ้ที่คอยเฝ้ารองรักษาไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอคุศลเนี่ยครูเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดคนระูเจ้าแต่ว่าอันตรายมีสองแบบอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นภัยธรรมชาติผู้ร้าย อันรายที่ปกติก็คืออารมณ์อกุศลเหล่านี้นะและมันมาทำร้ายจิตใจเราได้เพราะเราไม่มีสติสติสาคัญมากที่จะช่วยทำให้อารมณ์เหล่านี้ไม่มาทำร้ายจิตใจเพราะมันสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายหรือยิ่งกว่าโรคภายไข้เจ็บอีกหลายคนเนี่ยแม่ป่วยกายนะ แต่ว่าใจปกติเนี่ยเขายังสามารถจะยิ้มแย้มได้ในะกายปวดแต่คนหลายคนเนี่ยแม้การไม่เป็นแม้กายยังไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะเพียงแค่พบว่าหรือได้รับการบอกเล่าว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นเอชเนี่ยหมดแรงแล้วหลายคนเนี่ยมาพบความจริงทีหลังว่าหมอวินิจฉัยผิด คือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยหมดแรงแล้วนะคอดหูไม่ชีชีวามันเชืีอเลยนะว่าเรื่องของใจเนี่ยมันมันมันสำคัญกว่าเรื่องของกายและถ้าเราไม่รักษาใจด้วยสติเนี่ยนะไออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อเรารู้ความจริงคือยอมรับยอมรับความจริง ผู้คนไม่ค่อยตระหนักนะว่าเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้แยกมันไม่ได้เลวร้ายเท่ากับการที่ใจเราไม่ยอมรับคนคนหนึ่งเป็นมะเร็งแต่ยอมรับได้เนี่ยกินได้นอนหลับแต่คนบางคนแค่เป็นสิวหรือห้งผมแตกปลายไม่ยอมรับนี่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีคนสองคนที่เราเคยเจอนะคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นสิว แกยอมรับไม่ได้นะแกทุกทรมานมากแกกินไม่ได้หนอรหลับแกอยากจะตายอยีกคนนึงเป็นพระตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแต่ไม่เจอความสงบนะทยังไงก็ไม่สงบนะกลุ่มออกุ้มใจมากนะไปปรึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยท่าทางหน้าตาหดถูเศร้าหมองอตาตมาดูสองคนนี่คล้ายกันเลยนะ <c oughs> คือไม่อยากอยู่อ่ะมันท้อแท้การการการดำเนิ น, น, นชีวิต ทั้งสอ ง, สองคนเนี่ยชีวิตแตกต่างกันปัญหาแตกต่างกันแต่อย่างนที่เหมือนกันคือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะงั้นการไม่ยอมรับเนี่ยมันสําคัญกว่าปัญหาที่เกิดกับเรานะปัญหาเกิดเนี่ยเรายอมรับมันได้เนไม่เท่าไรแต่ปัญหาเล็กน้อยเพียงใดถ้าเราไม่ยอมรับมันมันทาให้เรากินไม่ได้เราไม่หลับไม่มีชีวิตชีวางนั้นสิ่งสาคัญคือการยอมรับ แล้วคุณจะยอมรับได้คุณต้องตั้งสติตั้งสติให้ได้และถ้าเราถามไปว่าอะไรทําให้ยอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะพวกว่ายอมรับไม่ได้เพรา ะ, นะหนึ่งยังมีห่วงยังมีห่วงห่วงลูกห่วงพ่อแม่หรื อ, อยังห่วงงานเลยไม่ยอมรับความตายที่จะมาถึงไม่ยอมรับความเจ็บป่วยที่กำลังเกิดขึ้นสอง นะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมอย่างที่อาตมาได้พูดถึง น, นนะบางคนเนี่ยนะกินชีวิตจิตมากินมังสวิรัตมาตลอดชีวิตเนี่ยด้วยความเชื่อว่าจะไม่เป็นมะเร็งแลวพอตัวเเป็นมะเร็งเนี่ยมันรู้สึกผิดหวงังรู้สึกโกรธมันก็ถูกหลอกนะถามว่าความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเพราะความคิดคิดถึงอดีตนะสิ่งที่เราได้ทำมานะอุตส่าห์กินอาหารธรรมชาติอุตส่าห์ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วดังมาเป็นมะเร็งเนี่ยนะรู้สึกมันไม่แฟไม่ยุติธรรมไม่ยอมรับเพราะความคิดว่ามันไม่เป็นธรรมไม่ยอมรับเพราะไปคิดไปนึกถึงสิ่งที่วิตกกังวล พูดสูงง่ายๆนะคือใจเนี่ยมันไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและสิ่งที่เอามาไม่ถึกก็คืออดีตกับอนาคตให้เราสังเกต น, นะเมื่อไดรก็ตามที่ใจเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอดีตนะเราจมอยู่กับอดีตนะหรือไม่เราก็ไปนึกถึงอนาคตถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่อย่างไงนะ หรือว่านี่เรายู่ไม่ดูแลรูปเลยนะนี่เรากำลังจะตายหรือเปล่าเนี่ยแล้วพ่อแม่นะอนาคตทั้งนั้นหรือถ้าเกิดว่าเจ็บปวดเนี่ยจะทํำยังไงถามว่าทําไมความคิดเนี่ยมันมันไม่อยู่กับปัจจุบนันก็เพราะไม่มีสตินะสติทำหน้าที่รู้ทันความคิดและอารมณ์ สติไม่ได้ทำหน้าที่รักษาใจไม่ให้อารมณ์เข้ามาครอบงานะแต่ว่าสติมันช่วยทำให้ความคิดนี้ไม่เหวี่ยงแบนไปกับอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้เป็นเป็นปัญหา นั้นเนี่ยถามว่าอะไรจะช่วยทาให้เรายอมรับความจริงได้สตินเนี่ยช่วยได้มากกลับมาอยู่กับปัจจุบันแลทะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคุณกันเนี่ยนะอาตมาคิดว่าการที่จะสามารถจะมีความสุขนะในการที่เจ็บป่วยได้เพราะว่าใจจะอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ ไม่ปล่อยจะให้ไปกังวลถึงอนาคตอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่อามาเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าอาลัยอารวร์ถ้าเราใจเร อ, อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความสุขนะให้เราได้ซึมซับเก็บเกีียวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะพบว่าเวลาแต่ละวันเวลาแต่ละชั่วโมงเวลาแต่ละนาทีมีคมีคุณค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้จมให้จิตใจจมอยู่ความเศร้าโศกหรือว่าอยู่ความห่วงกังวลหรือว่าอยู่ความโกรธแค้นและหวาดกลัว พราเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่วิตกกับอนาคตมากหลายคนเนี่ยปล่อยให้โอกาสทองคือปัจจุบันขนาะผ่านเลยไปเป็งเพราะว่าหมกมุ่นอยู่ความเศร้าโศกความเสียใจความกลัวอันนี้เป็นไม่ใช่เฉพาะกับคนป่วยทานั้านน้ำนะผู้ดูแลคนป่วยหลายคนก็เป็นอย่างนั้น มีพี่งคนหนึ่งนะเขียนมาปรึกษาตมาว่าดูแลสามีที่กำลป่วยเป็นมะเร็งลําไส้สามีก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆเธอเนี่ยดูแลสามีแต่ว่าไม่มีกติกใจที่จะดูแลสามีและเพือเธอมีแต่ความยิ่ตกกังวลว่าถ้าสามีตายเธอจะอยู่อย่างไรแล้วใครจะดูแลลูก กินไม่ได้หมอไม่หลับร่างกายผาย้อมเีาปรึกษาตามาว่าจะทาอย่างไรดีอตามาก็บอกว่าก็เห็นใจเธอนะเพราะว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อย่าเตือนเธอว่าสามีเธอยังไม่ตายนะสามีเธอยังอยู่เพราะฉะนั้นใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีให้กับสามีและมีความสุขร่วมกัน เวลาทองเนี่ยโอกาสทองนี่มันกำลังหายไปเรื่อยๆถ้าเธอมัวแต่เจ้าจุกอยู่แบบความมิตตกกังวลความเศร้าว่าสามีตายเนี่ยแล้วเธอจะอยู่ยังไงเนี่ยเธอกาลังปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปต้องรีบทําสิ่งนี้กับสามีใช่แต่วันนี้มอบสิ่งนี้กับสามีเริ่มต้นในการทําให้ ให้อารมณ์ดีๆอารมณ์ี่เป็นอกุศลกับสามีซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเธอเองนะกลับมามีชีิตชีวาขึ้นมาใหม่ยินะ่งยันจันใสเพราะถ้าหน้าหน้าตาเธอโผู่เศร้าหมองเนี่ยสามีเธอก็จะค่อยรับเอาความโูเศร้าหมองจากภรรยาไปด้วยดังนั่นคือยิ่งซ้ําเติมสามีเธอก็ได้คิดนะเธอก็เขียนข้อความตอบกลับมาทาง a c e b o o k ว่า ตอนนี้เธอกลับมากินข้าวกลับมาพักผ่อนนะกลับมาดูแลตัวเองแนละ้วนะแล้วก็ขนขวาในการที่จะทำสิ่งดีๆกับสามีหรือว่ามีความสุขร่วมกันกับสามีแล้วก็ลูกนะสติเนี่ยมันยังสำคัญนะโดยเพราะในเวลาที่ความเจ็บปวดเนี่ยมันเข้ามา และความเจ็บปวดเนี่ยมันจะเป็นของจริงนะแต่จากประสบการณ์ที่ธรรมาได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดกายเนี่ยมันไม่หนักหนาเท่าความปวดใจและความทุกข์ของคนป่วยร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันมีมิติขึ้นเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอส่วนนึ่งก็คือเกิดจากการที่ปล่อยให้ใจวิตกกังวลเศร้าหมองโกรธกลัวอย่างที่ว่า อีกส่วนหนึ่งเกิด ก, การที่จิตเนี่ยมันเข้าไปยึดติดในความเจ็บความปวดนั้นความเจ็บความปวดเราไม่ชอบนะแต่ว่าเรามักจะยึดติดกับความเจ็บความปวดเวลาเราปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะสังเกตว่าใจเราเนีมันไปปักตึงอยู่ความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบแต่ทําไมเราไปยึดติดแต่นี่เป็นธรรมชาติของคนเรานะมือเราเนี่ยถ้าเราไปถูก กับปีกปลาร้าน้ําปลาเนี่ยมันเหม็นใช่ไหมเราก็ถูเราก็ล้างแล้วเราทํางไงฮะเราก็ามาดมเราไม่ชอบใช่ไหมแล้วเราดมทําไมแต่ยิ่งไม่ชอบยิ่งเกียดมันยิ่งดมความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบเนี่ยจิตก็ยิ่งปักยิ่งไปปักตึงตรงนั้นแทนที่จะปวดเมื่อยแทนที่จะปวดขาเมื่อยขานะก็กลายเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยที่พูดแบบภาษาธรรมนะ ไอ้ตรงเนี้ยปวดขาเมื่อยขาไม่เท่าไหรแต่พอเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเนี่ยอันนี้มันหนักกว่าและที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะไม่มีสตินะเมื่อไม่มีสติจินมันก็ไปยึดเอาความเจ็บความปวดของกายว่าเป็นความเจ็บความปวดของกนะูปวดขาไม่เท่าไรแต่กูปวดเนี่ยหนักกว่าฮนะ อาจารย์ผู้ช่วยเมือบอกว่าเนี่ยเวลามีบาทบาทเวลามีบาทนิ้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างกันเลยนะระหว่างคนที่รู้สึกว่ามีบาดนิ้วกับมีบาดกูนะเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยเนี่ยสองเจดูนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่ปวดขาเมื่อยขาเนี่ยมันพอทนได้แต่พอรู้สึกว่ากูปวดกูดดเมื่อยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกทนไม่ไหวเนี่ย อาการที่สำคัญมั่นหมายว่ากูปวดกูเมื่อยเนี่ยนะก็คือพ่อไม่มีสติปัญหาเราคือมันไม่ใช่ปัญหาของคนปวดคนป่วยก็คือว่ามันไม่แค่ปวดแค่เมื่อยมันหนักกว่า น, นั้นสติมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางความเจ็ดความปวดวางโดยเพียงแค่ดูแค่เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นนะ น, นี่หลวงพ่อคำเกณฑ้หวงพ่อธรรมะท่านแต่ยังเสมอนะว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความปวดอย่าเป็นผู้ปวดและตัวที่ช่วยทําให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็คือสติสติมันสําคัญมากในการช่วยทําให้เรารับมือความปวดได้มันมีวิธีรับมือความปวดได้หลายอย่างเช่นสมาธินะสมาธิสมมติว่าเราปวดขาเรา เอามาจิตมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยแล่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิกลมหายใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อเยเลยนะเพราะว่าเหมือนกับจิตมันลืมปวดจิตมันลืมความปวดคุณหมอมาราเคยเล่า ว, ว่าเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยคนไข้เป็นผู้ชายอายุสี่สิบมะเร็งเนี่ยมันราบถึงกระดูกลวปวดมากจนกระทั่ง นอนไม่ได้ต้องนั่งนั่ ง, อ ง, งอก็งอกรองอิงปากซีดเหงื่อเนี่ยเม็ตัวโตวเลยยาระงับปวดเอาไม่อยู่หมอให้ทุกสามชั่วโมงคนไข้บอกขอทุกสองชั่วโมงไม่ได้ได้ไหมตอนหลังเนี่ยขอทุกชั่วโมงแต่หมอไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ทำไงก็ทรมานคุณหมอมาลาเห็นก็เลยอยากจะช่วยถามคนไข้ว่า ทวามสมาธิเป็นไหมคงท่านบอกไม่เคยสอนแต่สอนแต่วิทยาศาสตร์สอนแต่เรื่องหมอคุณหมออมรัก็เลยชวนให้นั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทีแรกก็เมือคนไท้เนี่ยจะนั่งได้แค่5นาทีก็เก่งแล้ะบอกว่า5นาทีแล้วก็ยังนั่งต่อนั่งถึง10นาทีก็ยังนั่งอยู่ยี่สิบห้าย่านั่งถึง45นาที แล้ก็ยิ่งนั่งก็ยิ่งดีนะนั่งหลังตรงแต่ตัวผ่อนคลายพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ยิ้มแย้มความปวดนี่มันหายไปเลยนะป่าเป็นสีชมพูเหงือเนี่ยหายไปคนไข้เนี่ยสัจจัรทร์มากเลยนะคุณหมอเอามาเราก็อัจจรนทร์นนะว่าคนไข้เนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิแต่ว่าคนนั่งแล้วเห็นผลเลยนะคือความปวดนี่มันทุเราเลยทำไมความปวดทุเราครับ ความเหตุผลที่หนึ่งก็เพราะว่าใจมันลืมปวดใจมันอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่เป็นยึดเอาความปวดที่กระดูกในร่างกายเนี่ยข้างในมันปวดอยู่นะแต่ว่าใจมันไม่ไปรับรู้ใช่ไหมมันก็ไม่รู้สึกปวดความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ใจที่ว่าไปจดจ่อหรือเปล่าประการต่อมาคือว่าสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้สมองเนี่ยหลั่งสารบางตัวที่สามารถจะไปบรรเทา ความปวดทางกายภาพไดนะ้เพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปทานหรือเรื่องของแล้มไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การลืมปวดนะแต่ว่ามัน ม, มันมีผลในการเยียวยาความปวดได้อันนี้เรียกว่าใช้สมาธินะรับมือความปวดแต่สติเนี่ยมันทําหน้าที่อีกอย่างนึงคือมันทำหน้าที่ว่าก็คือรู้ว่าปวดแต่ว่าใจไม่เข้าไปยึดเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็น มีคนไข้คนหนึ่งบอกว่าเป็นมะเร็งนี่ยนะเป็นมะเร็งที่กระเพาะปวดมากเลยแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่แต่เนื่องจากเคยปฏิบัติธรรมมาเคยเจริญสติกนะก็เอาสติเนี่ยนะมาดูความปวดไม่ใช่จ้องนะไม่ใช่เพ่งนะเอาคนบางทีทำไม่เป็นแนะไปจ้องไปเพ่งกรเสริฐเหมือนกันโดนมันดูดเข้ไปเลยมันมันก็ลุ้มดับตังความปวดเนี่ย ไปดูไม่เป็นมองไม่เป็นนี่มันดูเขาเปเลยคุณลุงนี้ก็บอกว่าเนี่ยสติเนี่ยจะพูดว่าสติเนี่ยมันดึงเอาสติเนี่ยมันดึงจิตมาไว้ที่หัวไหลยแล้วก็มาดูความปวดกายปวดอยู่แต่ใจเนี่สงบเลยกายยังปวดอยู่นะแต่ใจมันสงบเพราะใจมันไม่เข้าไปยึดความปวดนะันแต่พอเพอ่สติเมื่อไหร่ใจังก็เข้าไปรวมกับกายก็ไปยึดว่ากูปวดกูปวด พอมีสติผู้มาเนี่ยมันก็เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะนเนสติเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและสำคัญอาจจเรียกจำเป็นเลยก็ได้ในการรับมือกับความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนานมันไม่ใช่เพียงแค่รักษาใจไม่ให้ความโกรธความกลัวความวิตกกังวลนะ ความปฏิเสธผักใสเนี่ยเข้ามาคลองจิตเท่านั้นนะแต่แมงช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ไปยึดเอาความปวดของกายนะมาย่งดีจิตใจด้วยอันนี้นั้นสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสร้างขึ้นนะเสียแต่เดีนี้นะเพราะว่าเราจะไปรอให้เราจะไปไปรอใช้งานนะตอนที่เรา ป่วยหนักแล้วเนี่ยมันคงไม่ทันการและถ้าจะไปพึ่งแต่เทคโนโลยีพึ่งแต่ยาเนี่ยมันก็เรียกว่าประมาทเกินไปเพราะเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันก็มียาทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความสามารถพอที่จะสามารถจะระงับปวดได้ในทุกกรณีสติยิ่งสำคัญใหญ่เมื่อความตายใกล้เข้ามา เพราะเมื่อความตายใกล้เข้ามาเนี่ยนะมันจะมีความกลัวนะความกลัวเนี่ยนะจะทำให้จิตใจนี้เป็นทุกข์มากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะรู้จักสาสารงานการเราได้ทำหน้าที่ต่อคนรักจนกระทั่งเราไม่ค่อยมีความห่วงกังวลพ่อแม่ลูกนะและขณะเดยกันเนี่ย เรามันจเจริญสติเสมอเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นเราก็รู้ทันความกลัวนั้นมันเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกกลัวแล้วมันเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกห่วงรู้สึกกังวลในภาวะที่ใกล้ตายเนี่ยมันจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้แต่คนที่ปฏิบัติธรรมมาก็จะไปที่ว่ามันจะไม่มีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้น แต่สิ่งจิสติช่วยคือทำให้เรายอมรับทุกอาการทุกความเป็นไปของกายและใจโดยไม่ปฏิเสธไม่ผักใสและมีความโกัวเกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่ยอมรับมันเห็นมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะมันก็จะไม่รบกวนลังความจิตใจได้นานแต่ปัญหาของนักปฏิบัติธรรมหรือของคนบางคนเนี่ยเมื่อมีอาการ บางอย่างในจิตใจเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับมันเขาจะต่อต้านเขาจะผลักสายเขาจะกดข่มมันซึ่งนั่นทำให้ปัญหาหนักขึ้นมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะแกเป็นนายตารวจนะแล้วก็แกก็เป็นมะเร็งลุกลามมากขึ้นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในระยะสุดท้ายตลอดทั้งวันเนี่ยแกก็ ขุดลูกผุดนั่งแล้วก็เรียกเอาโน้นเรียกเอานี่จากลูกบ้างจากภรรยาบ้างกลางคืนแกก็ไม่ยอมนอนเดี๋ยวก็ให้หมุนเตียงเดี๋ยวก็ให้ลดเตียงเดี๋ยวก็ให้ขยับซ้ายเดี๋ยวก็ให้ขยับขวาเดี๋ยวเรียกเอาน้าเดี๋ยวเอาโนู้เอานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะทั้งลูกทั้งทั้งภรรยาผ่านไปเนี่ยสองหรือสามอาทิตย์จนกระทั่ง กลางค่ำกลางคืนนะคืนหนึ่งเนี่ยแกก็มีอาการแบบนี้นะที่จริงแกเป็นทุกวันจนทั่ทงวันหนึ่งแต่มีช่วงหนึ่งที่รูปเนี่ยชายทนไม่ไหวเนี่ยทนไม่ไหวนะสติแตกนะจับคอพ่อเนี่ยเขย่าเลยบอกว่าอเป็นอะไรทำไมนะทำไมไม่หยุดนิ่งสักทีนะเอาโน้นเอานี้ตลอดเวลาถามว่าคนไข้จะเป็นอะไร แกไม่ได้ป่วยก็ไม่ทุรนทลายมากนะแต่ตมาชื่อนั่นเป็นเพราะว่าแกเนี่ยยอมรับไม่ได้ว่าแกมีความกลัวกลัวตายแกเป็นตํารวจจะเป็นผู้ชายนะเพียงแค่แกยอมรับเออกลัวกลัวตายนะอาจจะบอกลูกอาจจะบอกเมียนะบอกความในใจมันก็จะช่วยบรรเทาแต่แกไม่ยอมรับและการที่ไม่ยอมรับความความกลัวเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกขมาก แล้วมันก็แสวงาการเป็นความกระสับกระส่ายเอาโน่นเอาอี่ต่อเวลานะประเด็นสําคัญอยู่ที่การยอมรับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ยอมรับด้วยสตินะฮะการยอมรับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันมันมันเกิดขึ้นก็ดูมันไม่ปฏิเสธไม่ผักใสนะแล้วสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้สําหรับคนไข้เนี่ย ในยานที่ใกล้ตายเนี่ยน้อมจิตและลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลจําเป็นมากนะในเวลาสาหรับคนทั่วไปเนี่ยในเวลาใกล้าตายเนี่ยการทำให้จิตเป็นกุศลเป็นกุศลมาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะทำให้ตายสงบและไปดีได้ง่ายนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงพระรันาตนตรัยนึกถึงความดีที่เราได้ทำ แต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยจิต ม, มันจะเผลอไปนึกถึงความชั่วที่ได้ทำนึกถึงความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นที่เคยถูกประทำนึกถึงการโกหกหลอกลวงที่เคยประสบจากคนรักนะนึกถึงความความผิดภาพบัญญย่าที่เคยทากับคนรักจนกระทั่งเกิดความสุดผิดติดครั้งใจมันจะไปอย่างนั้นไหนนะมันจะหวนไปขุดเรื่องไม่ดีในอดีตขึ้นมาทำร้ายจิตใจ แต่ถ้าเรามีสตินะและน้อมจิตเรารึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงพระรัตนตรยัยนะึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยจิตของคนไข้เนี่ยนะเป็นปกติหรือว่าเป็นกุศลได้ง่ายและขณะเดียวกันถ้าเราถ้าเราตาเตรียมมาดีเนี่ยและฝึกจิตมาด้วยเนี่ยการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นง่าย การที่คนเราจะตายสงบและไปดีเนี่ยมันมีหลักใหญ่ๆออสองประการนะก็คือหนึ่งนึกถึงพระแล้วก็สองละทุกสิ่งนะสําคัญมากเลยสองข้อนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผู้เจ้าสอนเอาไว้นะนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนึกถึงพระนี่รวมถึงนึกถึงความดีด้วยนะจะทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยสติเนี่ยสำคัญนะฮะสติเป็นพื้นฐานเลย พราะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะนึกถึงข้ามคือก็นึกลําบากนะนึกถึงแต่ความชั่วนึกถึงความไม่ดีนึกถึงเหตุร้ายที่ตัวเองถูกกระทําจากผู้อื่นนะหรือปล่อยวางไม่ได้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยตายไม่สงบเนี่ยเพราะว่าปล่อยวางไม่ได้เพราะมีความห่วงกังวล น, นะเพราะว่ามีความโกรธมีความรู้สึกผิดนะต้องหาทางเนี่ย ไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ที่เข้ามาครอบงําใจวิธีนี้ก็คือยอมรับและปล่อยวางอย่างที่พูดไปแล้ววิธีที่สองก็คือว่านึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เข้ามาแทนที่นะก็คือนึกถึงสิ่งดีๆเช่นพระรัต น, นตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิความดีที่เราได้ทำนะอันนี้สำหรับคนทั่วไปนะแต่สําหรับคนที่คนที่มี มีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมากกว่านั้นเนี่ยนะการใช้สติเนี่ยเข้ามาดูนะเข้ามาดูความเป็นไปของกายและใจโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจนกระทั่งสามารถจะพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสสำคัญเลยนะตายดีที่มีสองอย่างนะตายสงบ ก, กับตายสว่าง ตายสงบก็คือว่าตายโดยที่ไม่มีความวิตกกังวลนะไม่มีความห่วงหาอะไรตายสว่างคือว่าการที่ใจเนี่ยนะเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นอะไรก็เห็นตใจรักอนิจจังทุกข์ขานัตตาเห็นจากอะไรก็เห็นจากการและใจที่มันเกิดขึ้นนะเห็นด้วยอะไรเริ่มต้นด้ยเห็นด้วยสตินะ คนที่ไม่ฝึกสติมาเนี่ยเห็นยากนะเพียงแค่ว่าให้นึกถึงพระรักทุกสิ่งเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแต่คนที่ได้เจริญสติมาเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นธรรมจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายและใจในสายพุทธกาลเนี่ยมีพระอาหารหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะการที่ท่านได้เห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยเห็นสัจธรรมความจริง จากสังขารร่างกายที่กําลังเจ็บป่วยที่กาลังจะตายไม่ว่าจะตายด้วยสายเหตุใดก็ตามเช่นตายด้วยโรคภัยแพ้เจ็บตายเพราะถูกไฟครอบตายเพราะถูกเสือกัดนะหรือตายเพราะพยายามฆ่าตัวตาย น, นีนะฮะพยายามฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยและทําสําเร็จแล้วด้วยนะแต่ว่ามีสติที่จะมีสติที่จะเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยจากสังขารที่มันกําลังมีทุกขเวทนา แก่กล้ากำเริบเนี่ยบรรลุธรรมได้นะที่บอกว่าฆา่าตัวตายลยนะไปอบายเนี่ยมันไม่ใช่เสมอไปนะฮะพรนะอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยหลังจากที่ได้พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็มนะีเพราะว่าท่านเนี่ยได้มีสตินะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกาย เนเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจแล้วมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าหลวงพ่ออาจารย์พุทาสเนี่ยถึงบอกว่าตอนจะตายเนี่ยเป็นนาทีทองเราสามารถทําให้ความตายเป็นนาทีทองได้นะถ้าเรามีสตนะิแต่ถึงแม้เราไม่ปรารถ น, นานาทีทอง นะเราปรารถนาเพียงแค่ตายสงบสติก็สําคัญเหมือนกันหลวงปู่ดูลเนี่ยนะัตอนที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยี่ยมลูกศิษย์ที่กำลังจำเราะนภาพเนี่ยท่านสอนไม่กี่ประโยชน์นะท่านสอนว่าให้หยุดเพ่งปล่อยวางาท่านให้หยุดเพ่งทําใจให้เป็นหนึ่งแล้วปล่อยวางนะหยุดเพ่งทําใจให้เป็นหนึ่ง แลวปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยนะมันเป็ น, เ ป, นเป็นคำแนะนำที่มีค่ามากซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยสติ เวลาพูดถึงสติวความตายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นความตายที่ยังอยู่ไกลหรือเป็นความตายที่ประชิด ต, ตัวเนี่ยนะมันสําคัญสําำคัญมากทีเดียว เ, เมื่อเราตระหนักเช่นนี้แล้วเนี่ยนะตาก็อยากจะให้เราได้คข้ค ร, รวร น, นะว่าสำหรับเราเองสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยนะ เรารู้แน่ว่าความตายต้องมาถึงเราไม่ช้าก็เร็วนะเราจะเลือกตายแบบไหนนะแล้วเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรแล้วการเตรียมตัวเนี่ยนะควรต้องเริ่มต้นเสียแต่เดี๋ยวนีนะ้เสียแต่วันนี้นะระดมธรรมะทั้งหลายที่เรารู้จักนะโดยเฉพาะสติปัญญาสมาธิ นะเพื่อมาใช้รับมือกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเรานะในวันข้างหน้าโดยถือเอาประสบการณ์ทั้งหลายที่เราต้องเจอในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมาเป็นการบ้านเป็นเครื่องฝึกอะไรที่กระทบใจเราคําต่อว่าดาทอเงินหายถูกโกงรถติดนะ แดรอดร้อนอากาศหนาวพวกนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นการบ้านที่สามารถจะฝึกสตินะ mm. เพื่อไปใช้นะ mm. ในวันที่จะต้องมาถึง <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วอาตมาก็พูดพอสมควรเวลาแล้วนะ mm. ก็ข อ, อยุติพิธีเท่า น, นี้ mm. ก็หวังว่าพวกเราถ้าหากว่าได้ประโยชน์ใด น, นะจากรายการ ทั้งเช้าและบายนะก็ขอให้เรานะได้ตั้งจิตอุทิศให้กับนะคุณกันนะเพื่อให้คุณกันได้ไปสู่สุคติและอาตมาเชื่อว่าถ้าเธอมีญาณวิถีใดนะที่รับรู้นะถึงถึงสิ่งที่เพื่อนๆวิสาได้ทําในวันนี้และที่ได้ทำนะในช่วงหลังจากที่เธอได้สิ้นชีวิตเนี่ยเธอก็คงจะอนุโมทนาแล้วก็ยินดีนะที่พวกเราได้ได้ทำในสิ่งที่เธอได้ได้ ได้เจตนาไว้น ะ, จะเจริญพร